ได้ยินไหมท่านังได้ยินนะเดือนนี้เดือนนี้เดือนอะไรเดือนภูภาลัดเดือนนี้มีการสังขารอะไรบ้างเป็นที่ยอมรักกันแล้ว กันแล้วว่าเป็นบาร์สำคัญมันประเด็นทายสําคัญยังไงเป็นบระเด็นความรักใช่ไหมสายลา่าหรือว่าสะบัดผมพูดถึงเรื่องความรักได้ไหมถ้าพูดถึงเรื่องความรักได้ไม่ข้ามนะโยงรักก็ได้ไอาจจยากไดรัก โยมรับพระได้ไหมไไพระรับโยมได้ไหมไ ด, ได้เดือไงใครว่าไม่ได้อยังไม่ตอบนะใครตอบผิดตอบถูกเดี็ดพูดๆไปเรื่อยๆแล้วลองตอบตอบใครที่คำถามตอนที่ตอนท้ายรายการสุดที่สกันจริงๆแล้วเนี่ย ไปดูในปฏิทินนะเดือนนี้มันไม่มีวันจยุดพิเศษใช่ไหมนะไมีมนะ <c oughs> ก็มีที่วันที่คนจะพูดถึงมากสุดของเดือนนี้ก็คือวันวาเลไทายไหนๆสังคมไทยก็ยอมรับเอาวันนี้มาเป็นวันสำคัญแล้วขอพูดถึงสักนิดหนึ่งก็แลวกัน <c oughs> เรื่องความรักเรื่องความรักเนี่ยในพุทศาสนาก็มีศาสนา คว่ารักในภาษาไทยมันจะเป็นคําที่กลางๆกังวลกังวลจบอกกลางๆก็ได้จะบอกกังวลงก็ไ ด, กกได้มันจะเป็นอุศนหรือเป็นอกุศลก็ยังไม่แน่ใครใครฟังเมื่อวานว่ามาไปที่ยานาวาถือว่ามาฟังสามหบบกันกันเกีวกัหัวข้ อ, อนี้ความรักในภาษาไทยยังไม่แน่ว่าจะเป็นอุศนหรืออกุศล แต่ถ้าในภาษาบาลีคือในพุทธศาสนาเนี่ยจะมีคําที่บ่งบอกชัดเจนว่าขณะที่ว่าเรากําลังรักหรือมีความรักรักใครรักอะไรเนี่ยรักที่ว่าเนี่ยเป็นรักแบบอุศนหรืออคุศลต้องเล่นตามดูนะแล้วใครเมื่เคยมีความรักบ้างมีไหเคยรักทุงคนนะแล้วรักแบบไหนรักที่เราเคยมีหรือกําลังมี รักของเราเป็นแบบั้นควรจะรักต่อหรือควรจะเลิกรักควรจะเลิกแล้วค่ะหูเปล่ารักแบบแรกเขาเรื่องเาเรื่องแล้วนะวันนี้ไปวันหน่อยทำเวลาว่าก่าที่แล้วเนี่ยพูดไปพูดมาเวลาไม่พอรักแบบแรกมีเกณฑ์สองอย่างเกณฑ์สองอย่าง คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในใจของเรานี่เป็นเกณฑ์ตัดสินความรักแบบอีกแบบนึงคือคุณสมบัติของบุคคลหรือสิ่งของที่เราเป็นรักแบบแรกเกณฑ์แรกคือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในใจเราเวลารารักใครหรือรักอะไรรักอะไรนี่หมายถึงทั้งศัตว์ทั้งสิ่งของทั้งงามอะไรเย ลเอาเอาเป็นคนก่อนเลยนะเป็นคนก่อนจะได้ง่ายขึ้นเวลาเรารักอะไรคือ ร, รักใครนะรักเรา<ม>เรารักเพื่อแล้วก็ชอยชอยข้อหนึ่งมีให้เลือกแด้ว่าเรารักใครเนะีเรารัก น, นะันข้อกอ่อข้อกอ่ อ, กอเรารักเพื่อให้เขามาทำให้เรามีความสุขข้อก่อนะข้อขอ เรารักเขาเพราะว่าเราอยากให้เขามีความสุขไม่เหมือนกันนะสองอย่างไม่เหมือนกันนะแยกออกมาข้อกอเรารักเขาเพราะเขาทําให้เรามีความสุขหรืออยากให้เขามาทําให้เรามีความสุขข้อขอหรือแบบที่สองคือรักเขาแล้วอยากให้เขามีความสุข เรามีความรักกันนะกันมากบางคนปนกันอยู่ใช่ไหมปนปนกันอยู่ทีนี้ถ้าเป็นหนุ่มสาวเวลารักกันเนี่ยจะเป็นข้อขอสมาใช่ไหมมาข อ, อสมาอยากให้เขามาทำให้เรามีความสุขถ้าเป็นพ่อแม่ก็จะมีแบบข้อขอมากก่อยากให้ลูกมีความสุขแต่ก็มีเหมือนกันอยากให้เขามาทำให้เรามีความสม ด, ดุล ม, มันเจือเจือแต่สัจสวนมันมันเปลี่ยนไป รักลูกศิก็เป็นแบบหนึ่งลูกศิษยรักครูก็เป็นแบบหนึ่งเพื่อนรักเพื่อนแฟนกันรักกันสัดส่วนของข้อกอและข้อข อ, ขอเนี่ยจะแตกต่างนี่ๆแบบหนึ่งทางพุทธศาสนาใช้สัมบลงไปเฉพาะชัดเจนรักแบบข้อกอเนี่ยเรียกว่าราคะ รักแบบก็ขอเรียกว่าเมตตาพอใช้คำว่าราักากับเมตตาเนี่ยชัดจริงรักที่ว่าเนี่ยมันรักแบบแบบเวลาเราดูสภาวะในใจรเราที่เกิดขึ้นมาจะได้แบ่งแยกออก่าเอ้ยอั น, นี้มันราาักขาเอ้ยอ้ น, นี้มันเมตตาไม่ใช่ว่าราักรักรักอย่างเดียวไม่พอ ต้องดูด้วยว่า X ง่สภาพะที่เกิดขึ้นที่ว่ารักมันเป็นเพื่อเรามีความสุขหรือเพื่อเขามีความสุขพ่อแม่รักลูกเนี่ยต้องการให้ลูกมีความสุขบางทีแม้แต่ขณะที่เราเองบทีเราก็ไม่คอยสบายนะบางทีก็ทุรักยุ่งด้วยแต่เห็นลูกกําลังมีทุกอยากจะปลเปื้อนทุกจะลูกก่อนอันนั่นึงเงยังไม่ค่ยว่าเท่าไหร่เลย หรือว่าลังไม่ค่อยสบายได้ลังเป็นหวันกำลังมีไข่อยู่แต่เห็นรูปเป็นไข้อยากจะไปทำให้รูปหายไข้ก่อนคือไม่คันหนึงถึงตัวเองตัวเองก็พอคนได้อยากจะทำให้รูปมีความสุขก่อนนี่คือรักแบ่เมตตาเมตตาเนี่ยคือเป็นความชิดพื้นฐานในใจคือปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข <c oughs> แล้วพอเขาตกทุกข์ได้ยากความเมตตาก็จะเปลี่ยนไปเป็นกรุณาตราตรนาให้เขาพ้นจากทุกข์เวลาเขาประสบความสำเร็จไอ้เมตตานั้นก็ลอยยินดีไอ้ลอยยู่ดีจะมีสัมเฉพาะอีกคำว่าเรียกว่ามุกติตามีเมตตาอยู่พื้นหลังเนี่ยเวลาเขาตกต่ำก็จะกลายเป็นกรุณาเวลาเขาดีขึ้นมาจากปกติแล้จะเป็นมุกติตา แะถ้าเป็นราคะถ้าเป็นราคะถ้าเขาเกิดป่วยขึ้นมาถ้ายังพอมีหวังว่าเขาหายป่วยแล้วจะทาให้เรามีความสุขต่อได้ก็ยังพอกรรุนา็อยู่ <c oughs> ใช่ไหอย่าง้ขอให้เขาหายปย่วยจะแต่ถ้ามันชักป่วยชักไม่หายแล้ว <c oughs> สนใจจะเป็นอัพภาคเลนะมันจะให้ความสุขเราไม่ได้ชักไม่คไปได้ เห็นว่าเป็นภาวะเป็นโทท์เปลี่ยนจากราคาเป็นโทท์เพราะไม่ได้อย่างที่หวังมันมันเหมือนเหมือนกันเหมือนแต่คําว่ารักเนกันเนี่ยพลิกไปพลิกมานีรักแบบแรกคือราคาเป็นฝ่ายอกุศลรักแบบที่สองเมตตาเป็นกุศล เมื่อรู้ว่าเกิดราคะรู้แล้วต้องพยายามหาต้นต่อว่าต้นต่ออะไรทําให้เกิดราคะนี้ขึ้น <c oughs> <c oughs> ก็ต้องมาดูว่าที่ว่าเรารักเขาเนี่ยเรารักอะไรในเขามีสองแบบนะมาตรฐานแรกที่ว่าจะรู้ว่าเป็นราคะหรือเมตตาให้ดูปฏิกริยาในใจเราว่า ต้องการให้เขามีสุขหรือต้องการให้เรามีสุขต้องการให้เรามีสุขเป็นราคะต้องการให้เขามีสุขเป็นเมตตาแต่มันจะปนปนกันเราไม่มีเมตตาตลอดเวลาแลาไม่มีราคะตลอดเวลามันจะเกิดอะไรบ่อยให้ดูตรงนี้นะและมีเกอีกตัวหนึง่งเกณฑ์ตัวนึงคือคุณสมบัติอะไรในเขาที่ทาให้เราพลัด คุณสมบัตอะไรในะเขาจะทําให้เรามาพขอกอเป็นประกาศวิจิตร mm hmm. ขอกอพ์ขอกอร์เข า, เขาสวยใครใครใอรเป็นตัวอย่างพองกกอกอร์ mm hmm. เลยขาสวยหน้ามองมองแล้วสบายใจมองแล้วยิ้มได้เข้ามานั่งคุ้นข้างแล้วภูมิใจคนนี้หลอ่อเท่ แดนมานั่นข้างยิ่งรู้ว่าเขาชอบเราเราคูมจใจหรือคนนี้ดูท่าทางแล้วน่าจะเป็นลูกเป็นคนคงมียศยศอย่างถ้าเราอยู่ด้วยน่าจะปลอดภัยหรือจะเทพดีหรือคนนี้เป็นลูกเจ้าสวัวเรารักเขาก็เขามีอํานาจมี การเงินดีมีรูปร่างหน้าตาดีหรือเสียงเพราะหรือตัวนี้รำสวยทีบคนลงนังรํอย่างนี้ไม่ค่อยมีหนังรำมีอะไรก็ได้อะไรโปรยตีตอนตอนหมดไม่มีโปรยอตีเลยไม่มีโอกาสได้ดูมันลงในรูปของเขา คือหลงว่าเขาสามารถสนองความอยากทางด้านตาหูจมูกลิ้นและการไดนะไปแต่เขารู้สึก ม, ม, ม, มีความพอใจในการสัมผัสได้ยินเสียงก็มีความพอใจการได้ยินในแง่ของเสียงเคราะหเห็นแล้วมีความพอใจในแง่ว่าเขามีรูปร่างงดงามหรือห ล, ล่อเรากลิ่นกลิ่นะ มีน้ำกล่นได้โนกลิ่นแล้วพอใจแต่กลิ่นที่ดมแล้วพอใจมักเป็นกลิ่นของฟรองกลิ่นทั่ตรองปรุงแล้วนะกลิ่นแท้ๆเนะี่ยอาจจะทําให้ปีจากคือถ้าเรารักเขาในแง่ที่ว่าเขามาสนองความต้องการข้าอย่างทางตาหูจมูกกลิ่นกลาตาหูจมูกกลิ่นกาวข่าอย่าง ถ้าอย่างเนี้นเขาเรียกว่าการสนองการให้เราเขามีคุณสมบัติที่ดีในการที่จะสนองความต้องการทางการกับเราที่อย่างข้อกอ่ข้อขอใครใครติดข้อกอ่อแล้วบอกไม่ต้องฟังข้อขอติดข้ออะไรข้อขอคุณสมบัติอะไรที่ ทำให้เรารักเขาคุณสมบัตินั้นถ้าเขารู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยมีน้ำใจมีความอดทนมีความกล้าหาญในการแสดงออกในเรื่องที่ดีด<ๆ>เช่นกล้าประกาศว่าฉันรักในหลวงปกป้องสถาบาันกล้าที่จะลงทุนสร้างสถานที่ เพื่อเผยแพร่ธรรมนิยชมชนชอบในเรื่องของคุณความดีนำใจความเพื่อเฟื่องแต่การเสียสละอย่างนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการทั้งทาามันเป็นเรื่องของศรัทธาศรัทธาในความดีเรารักอะไรในธรรม เรารักอะไรในเขเรารักพราะเขาสวยสนองตัณหาสนองการกระตุ้ของเราหรือเราศรัทธาในความดีของเขาเวลาเราคิถึงแม่เราบอกว่ารักแม่เรารักแม่ในแง่ไหนนะน้องส้งหังรักแม่มากอบแม่มาใช่ไหมรักแม่ในแง่ไหนตอบได้ไหมพ่อกรพ่อขอ แม่ให้ตังเราไปกินขมหลือเปล่าหรือว่าแม่ซื้อไอโฟนให้เราบีบใจแม่ทำอาหารอร่อยอร่อยไหมอร่อ ย, ย, ออ ย, ยนะนี่เรื่องหนึ่งมันเกียดไปทางข้อก่อยแต่ถ้าแม่เนี่ยนะวเวลามากลับถึงบ้านเนี่ยเรียกเราให้ไปกินข้าว หิวไม่ดู้กินข้าวหรื อ, อยางมีอาหารไหมนะตรงนี้เป็นเรื่องของน้นใจแม่ไม่เกี่ยวยังไม่ถึงพูดถึงว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะน้ำใจแม่ํางทีอาหารก็ไม่ค่อยอร่อยอะไรแต่ทำให้กินอร่อยหรืออาจจะหิวก็ได้นะหรือว่าเวลาเราป่วยแม่ผนขวายผนขวายดูแลรักษารเราพาเราไปหาหมอซื้อยาให้ เตือนเราเวลาเราทำผิดแม่มีคุณสมบัติที่น่าศรัทธาเรารักแม่เพราะแม่ดีอย่างนี้เรียกว่าเราศรัทธาในตัวแม่รักแตบบ่ศรัทธาแต่ถ้ารักในแง่ว่าแบบเงินเม่ อ, อไหร่แม่ก็มีตังให้เราก็เรียกเห็นแม่เวลานบำเริ่มบำเริ่กล่าวให้เราเข้าใจเราอยากให้ลูกรักเราในแง่นั้นหรือลูก รักแม่ในแง่ไหนะตอบได้ไหมติดข้อไหนหรือแม่ต้องการให้ลูกรักเราในแง่ไหนะเราอยากให้ลูกรักเราใช่ไหมเราก็พยายามทําทุกอย่าง่ให้ลูกได้รักโดยลืมไปว่าบางทีไปสนองการให้ลูกลูกก็มองเราในแง่ว่านางมันเริง ม, มันเริงด้วยวัตถุสินคอาต่างๆไม่ศรัทธา วิธีแสดงออกของความไม่ศรัทธาไงก็คือทักตึง ต, ตังตึงตังไม่ศรัทธาบางทีก็เถียงเถียงแบบไม่เคารพพ่อแม่ต้องเป็นเขาเรียกากราระยานมิตรให้กับลูกกราระยานมิตรเนี่ยไม่ใช่ว่าพนอพนอเอาออ ก, ออ ก, ออกจากรักที่แม่ที่มีกับลูกเนี่ยไม่ใช่พนอพนอเอาออกอใจ จนเขาเสียความเขาลักษณะของพ่อแม่ที่เป็นกระยาดพิธีดีก็แรกเลยปีโยปีโยแปลว่าหน้ารักปียะกคยยินคงว่าปิยะจะปิยาแปลว่ า, น, วาน้ารักปยพะพอเป็นบุคคลก็เรยกปีโยภาษาบาลีนะก็ะเรียกว่าแจกวิพัฒนิปีย่เป็นศัตว์ พอเป็นวิพัฒน์ที่หนึ่งนะเป็นบุคคลเนี่ยจะลงโอปิโอยู่หน้าเป็นบุคคลหน้ารักเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรถ้าเป็นสัปปาลีจะลงสลระห่ะคนไทยก็พยายามงอาำว่าหน้ารักอากเ ด, ดี๋ยวนี้ลาะไข่ฟูไปเลยได้ยินหน้ารักปากหน้ารัก คนที่น่ารักจะต้องมีข้อส อ, อนประกอบไปด้วยพ่อแม่น่ารักกันเดียวบาทีทําให้ลูกเหลือจะมีปิโยแล้วก็ครุเป็นข้อที่สอนคารุแปลว่าหน้าเคารพคารุปิโยน่ารักคารุน่าเคารพถ้าคารุมาตัวเดียวไม่มีปิโยคือไม่มีความน่ารักลูกก็จะกลัวแต่ทรัพเหลก็จะไปปิ้ง แต่ถ้ามีแต่ปียกักคือมีความน่ารักไม่มีความน่าเคารพ ก, ก็เหลือบางทีเล่นหัวต้องมีทั้งสองอย่างความเป็นพ่อแม่ที่ดีถ้าจะรักลูกต้องให้ลูกเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยน่ารักและน่าเคารพไปด้วยกันต้องต้องแบ่งสัดส่วนตัวนี้ได้น่ารักและน่าเค า, ารพ ปีโยครัตัวที่สามคุณสมบัติของกัญยาณมิตรที่พ่อแม่ก็เป็นกัญยาณ น, นี่เข้อที่สามคือภาวนีโยปดโยครับ า, าวนีโยพามณีโยแปลว่าถ้าแปลตามสอนี่กดเรียกว่าน่าจเจริญใจน่าเจริญใจเนี่เข้าใจไหมยากยก็อย่างงงๆต้องแปลไทยเป็นไทย่ หรือต้องแปลงทีเป็นภาษาอังกฤษถ้าแปลภาษาอังกฤษอาจจะ ง, ง่ายขึ้น mm hmm. ภาษาอังกฤษคือเป็นไอต้องขอเลย mm hmm. ใช้ภาษาอังกฤษน่าจงเลิศใจน่าทาตามน่าเอาอย่าง mm hmm. อิโยน่ารักคารุน่าเคารอพภาวนิโยน่าเอาอย่าง <laughs> เป็นไอต้าง <laughs> คุณสมบัติข้อต่อไปของการย า, ยามีตรคือการย า, ยามิติไม่เฉพาะเป็นเฉพาะเพื่อนหรือพ่อแม่นะครูบาอาจารย์ก็ด้วยแม้แต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นการยามีติของของทุกๆคนเราก็มาเป็นนะเราจะเป็นกรยารยามิตรของลูกคุณสมบัติสามข้อนี้พรอมีพอมีได้ ถ้าด้จะได้ต่อข้อสีปิโยคารุวนิโยวัตตาในข้อสี่วัตาคือรู้จักพูดรู้จักพูดคือไม่ใช่ถึงเวลาก็พูดไม่ใช่ว่าเจอหน้าก็พูดไม่ใช่ช่างพูดรู้จักพูดคือรู้ว่าเวลาไหนควรพูดเวลาไหนควรเงียบและคําพูดต้องเป็นคำพูดที่ปลอดจาก รอจากเลยวิจิตรจริงวิจิวิจิตรจริรู้จักไหมว talking, <t encl osas> ิจีตรจริตคือวาจีที่ไปคนพูดคำพูดที่ไปคนพูดมีกี่อย่างสี่น่สนนี้ับอกสามเลมีอะไรบ้างพูดก่อนพูดสอเสียพูดกัยาพูดเพอร์เจอร์สี่อย่าง คำพูดเหล่านี้ไม่ควรพูดวาตาคืรู้จักพูดเว้นคำพูดสีอย่างนอกนั้นพูดได้ง่ายๆเว้นสี่อย่างนี้นอกนั้นพูดด้พูดถ้าพูดให้เจ๋งจริงถ้าพูดได้เจ๋งจริงนะพูดอย่างที่พระพเจ้าพูดหลักการในการพูดของพระเจ้าคือหนึ่งจริงสองมีประโยชน์ จริงแล้วมีประโยชน์เนี่ยต้องมาด้วยสมุอส่วนผู้ฟังฟังแล้วชอบใจหรือไม่ชอบใจเนี่ยท่านจะเลือกเวลาฟังไอ้เลือกเวลาพูดดูเวลาว่าจะพูดไหเพราะฉะนั้นตัวที่ต้องดูคือจริงมีประโยชน์และเลือกเวลาวสการพรามเนี่ยเราบอกว่าเขารู้จักพูดพูดดีมุด่ดีนี้พระเจ้าบอกว่าเนี่ยเรื่องการพูดนะ ถ้าเป็นเรื่องไม่จริงไม่มีประโยชน์ถึงแม้คนฟังชอบเราก็ไม่พูดเรื่องจริงไม่มีประโยชน์ผู้ฟังจะชอบไม่ชอบก็ไม่พูดเพราะนั้นมันจะเหลือเลยเหลือแค่เรื่องจริงเท่านั้นและมีประโยชน์เท่านั้นส่วนผู้ฟังจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยไม่ไม่มีประมาณผู้ฟังอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้แต่มันมีประโยชน์นะครับเาฟังแ ล, แล้วจะมีประโยชน์ต่อเขา ขณะที่ฟังนั้นอาจจะยังไม่ได้รับผมแท้ๆเมื่อกลับไปคิดอาจจะได้รับผมตอมาคือจะมีประโยชน์นนกับเาแล้วเรื่องเวลาพูดเหมือนกันเวลาเวลาเราเห็นลูกทำอะไรที่ไม่ดีบงทีไปเตือนทันทีมันก็อาจจะเกิดการทะเลาะกันขัดแย้งกันต้องดูดูโอกาสดูเวลางั้นถ้าเราสามารถเลือกเวลาพูดได้ และเมือพูดเฉพาะคำจริงและมีประโยชน์เราจะเป็นผู้ที่รู้จักพูดสีฟอยนะนะจำไา้นะทวนไปเรื่อยๆนะชวนไปเดืยๆนะปิโยขรุภพาวณีโยวตาวตานียรู้จักพูดข้อที่สี่นะขนะ้อที่ห้าวัดเจนะขโมยวันนี้วันนี้เรีเย่างภาษาบาลีกัน ก็อยตามเลยนะค่ตามเลยคืออัตมาท่องเป็นบาลีมาถ้าไม่พูดบาลีเดี๋ยวท่องไม่ได้เดืเอตดต ก, กเดือดตกค่ะตกปข้อก็วาดตาวาจานักขโมยอดทนต่อคําพูดไม่ใช่ว่าฉันมีฉันมีสิทธิ์ในการพูดอย่างเดียวเติต้องพูดถ้าเขาพูดมาต้องทนก็าฟังไอ้ ท, ทนคนฟังก็ได้ต้องรู้จักเป็นผู้ฟัง ไม่ใช่อะไรผดเด็ดกาลต้องฟังเขาไดา้ทนต่อคําพูดของเขาไดา้ลูกศิษย์พูดอะไรมาที่ดูแล้วแบบบาดบาดหูอาจารย์ต้องทนไดนไม่ใช่วหวนใส่ถือว่าหวาสั่งพ่อแม่เวลาลูกมาพูดอะไรดู ด, ดูไม่ไปเหมาะสมพ่อแม่ต้องต้องทนที่จะไม่โกรธก่อนหรือว่าโกรธแล้วต้องรู้ตัวก่อน ต้องไม่โต้ตอบลูกหรือลูกศิษย์ไปทั้งๆ ท, ท, ที่เจอเอย่างโกเพราะคำพูดที่ผ่านผ่านกิเลสออกไปเนี่ยมีกิเลสปลไปเลยนะเป็นคําพูดที่ไม่น่าฟังทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกหรือเราและลูกศิษย์หรือบุคคลที่เราสื่อสารด้วยเป็นคำพูดที่เป็นผิด <c oughs> ทําให้การสื่อสารนั้นเสียหาย อีกข้อแล้วปีโยครุภาวดีโยวตาวัจนะขมุต่อไปคงคำนี้ยาวฟังหน่อยก็แล้วกันคำ <c oughs> ทีท่เรจาจำกระถางกระถาที่บาลีน <c oughs> ั่แปลว่าคือฟังแล้วไม่ต้องจำเลยแน่นอน เ, เอาคำแปลก็แล้วกันะคาแปลแปลว่า สามารถอธิบายของยากให้ง่ายไนดะ้ดีเรื่องราวต่างๆที่ยากๆเนะี่ยถ้าเราได้กะะัลยาณมิตรที่ดีๆเนะี่ยอธิบายทางอย่างเนะี่ยท่านสามารถเอาของยากให้ดูง่ายขึ้นแล้วเราก็เข้าใจนะได้ลึกได้ว่ามีใครเป็นตัวอย่างในกรณีนี้พระพุทธเจ้าของที่ ไม่เคยมีในโลกไม่เคยมีใครทําได้เลยท่านสาแจกแจกให้เหมาะสมของกับแต่คนบางทีท่านก็ไม่ต้องเทพมากคนบางคนเนี่ยท่านเลือกจับเาว่าคนนี้ให้รู้แค่นี้ก็พ้นทุกได้ไม่ต้องไปจับให้ไปท่องปฏิบอดแบบหรือสีธรรมะธรรมะผู้เท่หมองกับผู้ฟังของแต่ละคนแต่ลคนคนนี้เอาแค่นี้คนนี้เอาแค่้ เช่นเช่นใครพระจุลบาลทกพระจุลบาลทกเคยเคยได้ยินใช่ไหมที่ท่านชาตินี้เกิดมาแล้วแบบจําอะไรไม่ได้จนคนทั้หลายหลงความเห็นว่าท่านเนี่ยปัญญาทึบหลงผีไปเรีว่าโง่ไปตลอดจนพี่ชายถึงแม้พี่ชายนี้ยจะเป็นพระอานันท์แล้วพี่ชายบอกขอให้ท่องกรอนกรอนภาษาบาลีก็เรียกว่ามโมโคํำฉัน แค่กดเดียวในท่องไม่ได้หลายเดือนแล้วลูกถ้าแค่นี้ยังจำไม่ได้ท่องไม่ได้สงสัยจะไม่มีวาสนาที่จะมาเป็นได้พักผลศึกไปไปทําบุญในเพศสารวา ด, ดีกว่าแต่พระจุลนทกท่านท่านไม่เดินไปสึกทีเดียวท่านเดินไปค่านเห็นพบกับพระเจา้จาพเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็รู้แล้วว่าจะต้องปรบพระจุลนทก ท่านก็ถามว่าจะไปไหนจะไปสึกใครจะสึกพี่ชายไล่มาให้สึกท่านก็บอกว่าเจอโบวชทิฏฐิไทรบวชทิฏฐิไรบอกผมบวุที่พระพุทธจเจนะ้าตันนั้นพี่ชายเคยไล่สึกทำามไม่ฟ ห, หาเราบวชทิฏฐิเราแล้วท่านก็สอนคำถามให้คำถามของท่านคือให้กระยี่ผาขาวเคยฟังใช่ไหมราชโองารามราชานาันติทองแกนงนะ่างนะ่า ท่านเคยทําสร้างบา ร, รมีอนแง่นี้คือตอนเป็นพระราชาดีชาติเองเคยออกไปตรวจราชการวัด น, นั่งไปหลังเชา้าแล้วทั้งเหลืองออกก็เอาสมัยนั้นไมมีทิชชูเป็นผ้าผ้าขาวซักเหลือเช็นหน้าผ่าไปเนี่ยออกมาดำเคยเคยต่างแตดง เ, เช็ดหน้าได้ดำแต่พอดําแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ไอฝุ่นนี้ทําให้เรา หน้าสมบกหน้าเราเนาี่ยสะอาดไอ้ฝุ่นเรื่องทำให้เราสมบกเราตื่สิ่ง น, นัง้นด้ยแต่ท่านในชาติก่อนเนะี่ยพอเช็ดหน้าปุ๊ผ้าดำเนะี่ยโอ้ร่างกายเราสมบกขนายที่สนไอ้ตอนนั้นนะี่นะก็มาได้คิดว่าเราเป็นกรรามฐานแต่มันติดใจจิตมันรับรู้ไปแล้วว่าร่างกายมันสมบกจิตมันรับรู้กันตายไปชาตินี้มาเป็นจุลปฐพิย พระพุทธเจ้ต่อยอดนะเพราะจิตมันมีข้อมูลนี้แล้วส่งต่อต่อยอดต่อไปให้เอาผ้าขาวเช่นนั่งหันหน้าบวกบอกด้วยนะท่านหันหน้าไปทางที่ตัวน้อกต่อตนนั้นสายนะนั่งหันหน้าทิดตัวน้องต่อจิตวิญญก็ทําำๆเช่นพระโชคราภมาแมาจางนาฏีผ้าทัางหลายเนี่ยมีผีมีมนที่บ้านหมอชีโมหมอชีวกเนี่ยมีมนพระทั้งวัด หลวงาธรรมมาพระพี่ชายเป็นเป็นพระเจ้าหน้าที่ที่จับกินนิมนต์ก็นมมิมนพระธรรมมไปก็จับทุกคนทุกองไปเลยเว้นพระน้องชายาคือจุฬาภรณ์จุวันผณก็นั่งอยู่องค์เดียวนั่งหันหน้าที่ต้นหลอกที่ตนหลอกของที่นี่อยู่ที่ไหนที่ไันขะ้งนี้เรรอแต่หันไี้เจอแต่กองขายต้มไม่ได้ต้องไปเกลาไหร่ หน้าของทั้งเนี่ยันหน้า ท, าที่สี่มันออกลอกลางแดดนั่งการแดดก็คือแสงมัมาทางที่มันออกมลรับรับแสงัวที่เป็นเตเหลื่ อ, อก็ออกเช็คไปก็ดำน้าโชวพคารันงไปเรื่อยๆนะพอมาดูโอ้ผ้าดำตอนแรกเนี่ยไรได้รับผ้าจากพระเจ้าผ้าขาวาวตอนนี้ผ้าดำร่างกายสกปรก พระเจ้าอยู่ทีบ้านงานรู้แล้วว่าพัจจุบันฐม เ, นเห็นผ้าดำแล้ว น, นึกย้อนมาถึงที่ตัวเองว่าร่างกายมีสโกปก <c oughs> ท่านก็ย้อมไปเลยว่าส่งกระแสมนะส่งกระแส ม, มาเตือนพัะจุบันฐมว่าไม่ใช่เฉพาะกายนะที่สโกปกจิตก็สโกปกด้วยกิเลสกิเลสแปว่าเลื่อนเศร้าหมองกิเลกเ ส, ก, สก็เลื่อนเศร้าหมองจิตก็เศร้าหมองเพราะกิเลส คราวนี news, ้ไม like ่ได้ดูแต่กายย่อมมารูที่จิตด้วยเห็นกิเลสเป็นสภาวะมันเห็นกิเลสเกิดขึ้นกิเลสเป็นตัวทําให้จิตเศร้าหแยกจิตกับกิเลสด้ยกิเลสเป็นตัวทําให้จิตเศร้าหมองเห็นอย่างนั้นแล้วเห็นถึงไตรลักษณ์แล้วก็พอเห็นไตรลักษณ์แล้วมารู้ธรรมเราก็บลับไปเลยเพราะเดี๋ยวไม่จบ การยานิมิตเป็นไม่จบเลยการยะนิมิตคุณสมบัติของการยานิมิตเมื่อกี้อีกข้อไหนล่ะข้อ6ทวนได้ไหมข้อแรกอะไรอิโยน่ารักข้อสองคารุน่าคารุข้อสภาวนิโยคือน้าจัดจ้านหน้าเอาอย่างหน้าเอาตามไอต้องข้อสรู้จักพูดใช่ไ ข้อห้าข้อห้าอะไรรู้จักคนคนฟังรู้จักเป็นผู้ฟังคนอดทนต่อคําพูดภาษาเนี่ยใช้คำว่าอดทนต่อคำพูาาาาดข้อหกอะไรคุณถามเมื่อกี้ทำของยากให้เป็นของง่ายอธิบายของยากให้ให้เข้าใจได้ง่ายง่ายทำดีรันจกักรถังกระถาภาษาบาลนะีนข้อเจ็ด ทนฟังนิดนะโนจับขาเมนิโยชยุไม่ต้องจทำทําแปลไม่ชักชวนไปนในทางที่ผิดไม่ชักชวนไปทางเสียหายไม่พาไปในที่ชั่วไม่พาไที่ตกต่ำนี่คือลักษณะคุณสมบัติของกาลยานมิตรเราต้องการให้เขารักเราเราต้องมีคุณสมบัติกาลยาณมิตรเจอย่างนี้เมื่อก่อนนี้พ่อแม่เป็นกาลยาณมิตร รูปเป็นผู้แสดงโลกให้กับรูปเป็นเทวดาเป็นปมของบุตรคือเป็นผู้ให้กําเนิดข้อที่ว่าแสดงโลกให้กับรูกนั้นะเป็นข้อที่เดี๋ยวนี้เราทํายากเราถูกแย่งซีน <c oughs> เราถูกแย่งซีโนโดยอะไรทีวีวิทยุมันก็ได้ฟังว่าเด็กๆนั้นคอมพิวเตอร์และอะไรอีก โทรศัพท์เล่นเกมกดเวลาไปที่วัดบางทีก็ไม่สนใจเลยไม่สนใจใครเลยสนใจแต่กดซิงๆอยู่เลยใครมีรุ่นใหม่ไอโฟนเอสก็ไปคุยกับซีรีส์ <c ười> ซีรีสนี่เป็นอะไรเขาเรียกว่าแอปพลิเคชั่นแเป็นโปรแกรมอะไรนั่น นารายังสงสัยว่าคนเขียนเนี่ยเป็นคนไทยหรือเปล่าเขาจะได้ได้ทราบกิตติศัพท์ของสิริในนนท์ไทยทุกอเปล่านะนี่นนท์เลือกเอเาเองนะว่าเพราะว่าสิริเนี่ย เ, เคยได้ยิว่าเป็นคนเก่งทําไมจึงรู้ว่าเป็นคนเก่งโเฉพาะเรื่องคํานวณเรื่องคํานวณรู้จักไหมรู้จักไหมคนที่เขาเก่งเคยเห็นไหมเคยเคยทราบประวัติ สิริเนะี่ยเพราะว่าเวลาอาธมาอ่านหนังสืองานสงฆเวลาจะบวกลบอายุไทยเนะี่ยสิริรวมอายุได้กี่ปีสิ <c oughs> รินี่เก่งมากเวลาสงสัยเรืเ่องอะไรคำนวณไม่ถูกให้สิริคำนวณทุกทีเลยสิริรวมาไม่มีคนอื่นคิดเลยนะทีให้สิริคิดคนเดียวนั้นสมควรแล้วที่ให้ไปเป็นแอปบางทีก็ไปสลอกับสิริใช่ไหม ซีมิี่ไม่ใช่คนไทยแนะมม่มีซีมิทีซีมเราถูกแย่งซีนในการเสนอโลกให้กับลูกลูกลูกเวลาอยู่กับเราถ้าเราเป็นผู้เสนอโลกให้กับลูกคือเราเราคอยจะบอกว่าคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีคนนี้น่าเอาอย่างคนนี้ถ้าภาษาปัจจุบันจะเรียกว่าเป็นไอดอลคนนี้เป็นภาวณียง เช่นอ่านประวัติพระพุทธเจ้าอ่านประวัติพระเส ร, รัอ่านพระราชประวัติของในหลวงท่านมีพระราชกรณียกิจอย่างนี้อย่างนี้เราแสดงโลกเราเป็นผู้ขั้นสามโลกมาแสดงให้กับลูกตอนนี้เราไปมอบให้กับผู้อื่นให้กับสื่อมวลชนบ้านให้กับแอปทั้งหลายไปมันก็เสนอ โลกอีกแง้มงซึ่งลูกก็ยังไม่รู้ว่ามันควรจะเอาอย่างไม่เอาอย่างกลายเป็นมีคนอื่นเป็นไอดอลมีคนอื่นเป็นเขาพันลี้โยกเลยดังนั้นต้องระวังตรงนี้เราต้องมีเวลาเผื่อให้ตรงนี้ด้วยให้กับบุคคลที่เราหลักด้วยเวลาเขาเห็นโลกในแง้มงที่พ่อแม่ให้ดูนะแล้วเขาเกิดสัมผั ในบุคคลนั้นเรียกว่าเขามีความรักรักในคุณความดีของบุคคลนั้นเวลาเรารักในความดีของเขาเนี่ยพอนึกถึงแล้วเราก็อยากเอาเอาอย่างมาทำเหมือนเป็นฮีโร่นะไรตัวรหญของเราอ่านประวัติของพระเทรซองค์นี้โอ้โหน่าเอาอย่างอ่านแล้วมีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติต่ออ่านประวัติของคุณแม่ แม่ชีองนี้ผู้หญิงก็จะมีกำลังใจใช่ไเอ้ยเขาทำได้นะไม่ใช่เฉพาะผู้ชายแั้นเราถ้ามีเวลาถ้ามีเวล า, า, วลากลับไปทำหน้าที่แสดงโลกให้กับลกูกในแง่ดี่หนึ่นคือคัดกรองคัดกรองข้อมูลเพราะว่าข้อมูลเดี๋ยวนี้เนี่ยทางสื่อมวลชนก็โกงไม่ก็คัดกรองก็หลายเขามองในแง่ธุร ก, กิจผลประโยชน์กันมมาย อะไรท si. ี it, ่ให like ้ผลประโยชน์ก <c oughs> ับเขาเขาก็มองตัวนั้นแหละแล้วก็นำมาเสนอเราก็ต้องหนึ่งถ้าไม่มีแลาดันก็อต้องมีวลาชี้แจงบอกสอนให้กับลูกเพื่อให้ลูกเราเนี่ยรักคนในแง่ของศรัทธาไม่ใช่รักในแง่ของมาสนองการบัคุณทั้งหากแยกออกจาก จำได้ไหมว่ารักมีกี่แบบรักถ้าออกจากใจเราเนี่ยมีสองแบบมีแบบแบบแบบแบบยาวไคือรักแบบราคะต้องการให้เขามาทําให้เรามีความสุขกับรักแบบเมตตาเราต้องการให้เขามีความสุขมาตรานทีกแบบนี่คือคุณความดีอะไรในเขาที่ทําให้เรารักถ้าเขามาสนองการมาคุณห้าเรา แสดงว่าเรารักในกามเรารักในการของเขาถ้าเรารักเพราะว่าเขามีความดีเรียกว่ามีศรัทธารักอันนี้ก็เรียกว่าศรัทธาเสียงหายได้ไหมถ้าเราถ้าเรารักในเรื่องของการงานที่ไม่ใช่คนมันจะมีรักอีกแบบหนึ่ง แต่ภาษาไทยเรียกว่ารักเหมือนกันเรารักงานเรารักเรารักในสิ่งของภาษาไทยเรียกว่ารักแต่ภาษาบาลีเรียกว่าฉันทะนึกออกไหมเรามีความรักในงานเนี่ยเขาเรียกว่าเรามีฉันทะในงานอยากให้งานนี้ออกมาดีกับอยากให้คนนี้ดีไม่เหมือนกันใช่ไหม เรารักคนนี้ในแบบที่แบบเป็นกุศลคือเป็นเมตตาเยเราต้องการให้คนนี้ดีเรารักลูกต้องการให้ลูกดีเป็นคนดีมีนิสัยดีเป็นบุคคลที่ดีแต่ถ้าเรารักงานคือต้องการให้งานนี้ออกมาดีมีความสมบูรณ์รักแบบนี้เรียกว่าฉันทพะพอฉันทะเกิดขึ้นมามันจะตามมาอีกแบบหนึง่งคือมีความเพียรมีวิริยะจิตต่ำวสัสาแต่ถ้ารักในคนมันจะตามมาด้วยอะไร กรุณามุทิตาและถ้ากรุณาและมุทิตารวมทั้งเมตตาเนี่ยผิดธรรมเราจะไม่เอาด้วยเราจะวางเฉยเราเรียกเป็นอุเบกขาอุเบกขาจะเป็นตัวคุมทําให้เมตตากรุณามุทิตาเนี่ยไม่ไปในทางที่ดีเช่นเช่นอะไรดีเช่นลูกเนี่ยอ ย, อยู่วันหนึ่งเนี่ยเราไม่เคยให้ตังค์เขามากเลยแต่วันหนึ่งเขาหยิบ ไอโฟมาบอกว่าหนูไปเอาจากเพื่อนมาได้ก็ให้บอกไม่ให้เขาวางทิ้งเอาไว้แล้วเออเก่งดีอย่างนี้เรามุทิตาไดไไ้ไม่ได้ผิดธรรมใช่ไหมเราต้องชี้แจงว่ามันผิดไม่ได้เฮ้ผิดมุทิตาไม่ได้เรียกว่าถ้าเมตตาการุณามุทิตาเนี่ยเป็นไปในทางที่ผิดเราไม่เอาด้วตรงนี้เรียกว่ามี อูเบ่งข่าลูกถูกตำรวจจับเราจะไปกรุณากับลูกเผอิญเรามีอะไรมีมีตังมากหรือมีตำแหน่งอย่างแล้วก็ไปเบ่งใส่ตำรวจอย่างนี้เราเรียกว่าเรากำลังกรุณาลูกได้ไม่ได้เราต้องหยุดการกระทำทุกอย่างที่จะไปทำผิดต่อธรรมะ หยุดการทำทุกอย่างที่ผิดต่อธรรมนเรียกว่ามีอุเบกขาเฝ้ามองแต่ไม่ทิ้ทนะเฝ้ามองอยู่ใกล้ๆอุเบกขามาจากคําสัมวาปะวกับอีกขาวันนี้เรียนบาลีก่านจะมัะ้ <c oughs> อุปปาเป็ว่าใกล้ๆอีกขาก็ว่ามองมองอยู่ใกล้ๆคือถึงเวลาที่เขาจะต้องรับผลจากการกระทำของเขาแต่ไม่ทิ้ง ถ้ามีเหตุอื่นที่ต้องช่วยเหลือก็ช่วยได้แต่ว่าต้องไม่ไปผิดธรรมไม่ผิดกฎระเบียบต่างๆ <c oughs> มาถึงเรื่องรักหมดแล้วหมดรหมดทุกแง่มุมเบียมีแง่ <c oughs> มุมไหนอีกเวล า, าวในแง่ของเพศเรื่องรักไม่ต้องเรื่องเพศด้วย มีพอพูดถึงเพศติคองเรื่องเพศเป็นเรื่องที่เหมือนกับแยกใไปออกกับเรื่องความรักโดยเฉพาะวัยุ่นหุมสาวมีคำ คำหนึ่งผลิตขึ้นมาเราใช้คําว่าเพศสัมพันธ์น่าจะเคยได้ยินมาอยู่คําว่าเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาในในสังคมเราปัจจุบนันนี้ใช้คําที่เพราะคือเพศสัมพันธ์คําสมัยก่อนจะเรียกว่าร่วมประเวณีแต่คําที่ตรงที่สุดจะเรียกว่าสื่อพันธ์ ใชกิริย า, าการนั้นเรียกว่าสืบพันเหมือนกับเพราะว่ากินกินเนีนะกินนี่เป็นเป็นกิริยาอันหนึ่งที่ชีวิตต้องการที่จะสืบต่อชีวิตต่อไปชีวิตเราเนี่ยถ้าไม่มีอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงเนี่ยอยู่ต่อไม่ได้ชีวิตจึงได้สร้าง เงื่อนไขอัาหนึ่งคือให้ลิ้นเนี่ยรับรู้โลกเพื่อจูงใจให้เราเนี่ยกินถ้าเราไม่กินชีวิตจะอยู่ต่อไม่ได้ <c oughs> มีเทวดาเทวดาองค์หนึ่งไปทำบุญแล้วไปเกิดเป็นเทวดาแล้วดีใจในความเป็นเทวดาพอตายปุ๊บเกิดมาเป็นเทวดามองเห็นตัวเองเป็นเทวดาแล้วเหลือ ดีใจที่เที่ยวไปนุ่นเที่ยวไปนี้ลืมกินมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานตายเทวดานะร่างกายได้ปลอบบางมากถ้าไม่กินเนี่ยตาย <c oughs> ทั้งทั้งแค่แค่กินอาหารที่พ่อพ่อก็อยู่รอดลนะไม่ต้องการอาหารมากแต่ลืมกินเทวดาเนี่ยเที่ยวไปโอ้มองหนักฟ้ามองสวรรค์เที่ยวสวนลืมกินหมดเวลากินแล้วไม่ได้กิน ร่างกายเหี่ยวแห้สายไเลยในขนาดร่างกายเทวดานะาก็เปรียบ ว, ว่าคนเนี่ยมันเหมือนกับต้นไม้ต้นใหญ่ๆเทวดาเนะี่ยเหมือนกับร่างกายเขาหมอบา ง, งกุฎีบัวต้นไม้ใหญ่ๆเนะี่ยไปตากแดดเนี่ยยัยงไม่ตาย <c oughs> ยังทนแดดอยู่ได้แต่กุฎีบัวเนะี่ยไปวางอยู่กลางแดดแป๊บเดียวเหียวเนะี่ยนีขนาดรูปเป็นรูปธรรมกับใหญ่ แต่ร่างกายของเทวดาเนะี่ยเป็นที่ซึ่งละเอียดมากถ้าเผลอไม่ได้กินข้าวสักสอสมมื้อตายถ้าเป็นพวกเราเนี่ก็สามารถกดได้อีกหลายมื้ น, นั้นต้งมีถุนเยอะร่างกายเป็นชีวิตอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ต้องการการสื่อต่อสร้างลิ้นให้มารับรูก มีได้รับรสอร่อยแต่จุดมุ่งหมายที่แท้ๆก็คือต้องการสารอาหารให้มาร่อเนี้ถ้าคนไม่เข้าใจสาระที่แท้ของการกินคนก็จะไปติดพรกติดคระและมุ่งที่จะหาอาหารอร่อยออยโดยไม่คำนึนถึงสารอาหารก็จะไปกินบางทีก็ไปกินสิ่งที่เป็นที่เป็นภยัยต่อชีวิตต่อว่างกาย สาระที่แท้ของการกินคือกินให้พอมีชีวิตยอยู่ได้กินเพื่อดับทุกเวทนาเก่าคือความหิวไม่สร้างทุกเวทนาใหม่คือความปึดอัดแต่เราถ้ากินโดยติดรกเราก็จะกินเพลินจนปึดอัดเรียกว่ากินโดยไม่ได้รู้สาระของการกินที่แท้การสื่อพันก็เช่นเดียวกันการสื่อพัน สาระของการสุพรรณคือให้ได้พันเพราะร่างกายนี้อยู่ได้ไม่นานจะต้องตายเป็นธรรมชาติที่จะต้องหาตัวตายตัวแทนเพื่อดํารงเพื่อความดำรงอยู่ของเผ่าพันธและธรรมชาติก็ให้อุปกรณ์ให้อวัยวะที่รับรู้รสของเพศและคนส่วนใหญ่ก็กลายกันว่าติดรสเทศติดรสเทศ แล้วก็เลยหวังเศรษฐกิจเทศแต่ไม่หวังสาระที่แท้ของการสืบพันธเราพยายามป้องกันทุกๆอย่างเพื่อไม่ให้ได้รับไม่ได้รับสาระแท้ของการสืบพันธถ้าเป็นการกินก็อยากจะได้รับรสอย่างเดียวแต่ไม่ต้องการสารอาหาสาระที่แท้ไม่เอาคือเราศูนย์ธรรมชาติแล้วก็พยายามเลี่ยงที่จะพูดถึงในแง่นี้แต่ในทางพุทธศาสนาเนี่ย บอกว่าทําอะไรต้องรู้สาระที่แท้ของเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกอย่างเรื่องการสื่อพันรู้ว่ารู้ว่ากิจกรรมนี้เพื่อให้ได้พันเราก็ต้องมีมีกระบวนการที่จะคัดเลือกพันหรือว่าทํำยังไงจะได้พันที่ดีคนสมัยก่อนจึงเลือกว่าช่วงเวลาไหนที่ควรจะเป็นแม่ช่วงเวลาไหนควรจะเป็นพ่อ ควรจะให้ได้พันที่ดีเมื่อหลังแต่เดี๋ยวนี้เราเร่งจะเอารับแต่ลบภาวะไม่เหมาะเลยที่จะดำารงนพันที่ดีพันพันที่ได้เนี่ยมันไม่ค่อยดีถ้ามาเวลานี้นนการเงินก็ไม่คดีอายุก็ไม่ได้ยังเรียนอยู่ภาวะทางจิตก็ไม่เหมาะไม่ควรพันออกมาไม่ดี ถ้าอย่างนี้ถ้าผู้รับผิดชอบสังคมต้องเห็นแล้วว่าที่เป็นปัญหาต่อเผ่าพันธุ์พันุ์ของเราจะเสื่อมไปต้องหาวิธีป้องกันพันธุ์นี้ไม่ใช่ไปทําวิธีอื่นต้องมุ่งสอนให้รู้สาระที่แท้ของการสืบพันธแล้วให้เขาสํานึกว่าทําอย่างไรจะได้พันธุ์ที่ดีรู้จักขักห้ามใจ รอเวลาสร้างสภาวะทางจิตให้พร้อมสร้างสภาวะทางสังคมให้พร้อมแล้วเราจะได้พัที่ดีนี่คือการสื่อผลไม่ใช่กิจกรรมเพื่อเสพกเพระทัเทศอย่างนี้เราไปเสพกเพระทัพจนจนลืมสาระที่แท้ของกิจกรรมเราต้องจะทำอะไรต้องรู้ว่าสาระที่แท้ในขณะนั้นของกิจกรรมนั้นทำเพื่ออะไรไม่ใช่เป็นหลง หลมเขวลงเข ว, เ, วเหมือนกิน ใ, ในยกตัวอย่างง่ายๆรเหมือนกินกินเพื่อให้มีร่างกายสืบต่อไปเพื่อทาความดีเพื่อให้ได้รับสามที่เหมาะสมร่างกายที่เสื่อมไปเรื่อยๆทุกๆวันต้องมีอาหารเข้าไปเสริมนี่คือสาระของการกินสาระของการแพทย์คือทำยังไงจะให้สุขภาพดีไม่ใช่ไปทำอย่างอื่น สาะของของการคิดการเพศสัมพันธ์คือการสื่อผ่านเรื่องวันใกล้ๆความรักนใ น, นี่ยวนใก้ตรงเนี้ยรู้สึกนสื่อกิมก็ออกมาว่าอะไระผู้ใหญ่มีความกังวลในเรื่องที่ว่าหนุ่มๆสาวๆเตรียมจะไปทําอะไรกันแล้วก็มันก็คือเขาไม่รู้สาระของกิจกรรม ถ้าเราให้ความรู้เพิสักหน่อยให้ความรู้เพสําหน่อโดยไม่อะไร่ไมเราจะเลี่ยงส่วนใหญ่เราจะเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องนี้แบบตรงๆวันนี้ก็เสียงเหมืนกันนะเป็นพระเรามาพูดถึงเรื่องเพศแต่พูดให้ในแง่ที่ว่าถ้าเราร่วมกิจกรรมไหนโดยรู้สาระที่แท้ของมันเนี่ ถ้ารู้ว่ามันไม่ได้สาราที่แท้อย่าเพิง่งทำเรากาลังจะสื่อพันแต่ถ้าผลของมันคือได้ครังที่ ม, มีอย่าอย่าเพิง่งเอาอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งทำพอได้นะแล้วตอบคาถามได้ไหยว่าโยมรักพระได้ไหมพระรักโยมได้ไหมไม่แล้วแต่ว่ารักแสบไหนอย่าเพิ่งตอบว่าได้หรือไม่ได้ทันทีเรียกว่าต้องมีวิพัฒชววิธีคือต้องมีการแยกแยกว่า แล้วแต่ว่าจะรักแบบไห น, นแม้แต่โยมจะรักกันเองรักได้ก็ต้องบอกรักแบบไห น, นเรารักเขาเพราะเขามีคุณ ส, ม บ, สมบัติแบบไห น, นเรารักอะไรในเขาถ้าถ้าน้ำหนักมันกลายเป็นว่าเขาให้การเราเราต้องระวังต้องเปลี่ยนท่าที่ถ้ารู้สึกว่าต้องการให้เขามาสนองความสุขอกอบเราอันนั้นจะหนักไปทางด้านปลายัาเราต้องรู้ให้ทัน รู้ถึงสภาวะที่เกิดขึ้นในทางตัวนี้สติจะเป็นตัวช่วยเราต้องเจริญสติให้เห็นสภาวะขณะนั้นว่าที่เราบอกเป็นภาษาไทยว่ารักอยู่เนี่ยรักที่ว่านั้นรักแบบให้เขามาสนองความสุขให้เราหรือเราต้องการให้เขามีความสุขแล้วที่เรารักเขาเนี่ยเรารักคุณสมบัติอะไรของเขาเขามีคุณสมบัติที่มาสนองการมคุณคาให้เรา หรือก็มีคุณความดีจนเราศรัทธาโดยเฉพาะพ่อแม่กับลูกอย่าให้ลูกศรัทธาเอ๊ะอย่าให้ลูกรักเราในแง่ของการยาชการพลังน้ำเงินของลูก